ท่านจาตุธนบุตรบริจาคท่านหลายสำหรับตอน 5 ของ 19 ตอนก่อนบอกว่าจะ 13 มกราคม 2534 ก่อน dan is er een paar, jong met een watta song. Jij dan rond jij o, Maar een ก็เกี่ยวกับจริยาในเมื่อเข้าไปอยู่ในวัดนั้นนั้นก็รู้สึก Köktje, de je? Tango, Tio, ben je song, ben song, ben je song, ben je je song, ben เดินทางมาที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดเชนาท <c oughs> Ik heb gekidnapt, ik heb gekondigd en ik ben daar geweest. Ik heb gekondigd en ik heb gekondigd en ik heb gekondigd en ik heb gekondigd en ik van gekondigd en ik heb gekondigd en ik heb gekondigd en ik heb gekondigd en ik heb en ik heb gekondigd en ik heb gekondigd en ik heb ik heb gekondigd en ik heb ik heb ik heb Rappend jauwat, de prati, de boogwa, kun ben maha, kun rap. Maaj jauwmrapp, reaal, kookid waag, raadjutijogotin, najdi. Kookid waag, taag, tjom, tjom, tjom, hopan. Mij taag, tjom, tjom, tjom, tjom, tjom, tjom, tjom, tjom, tjom, tjom, tjom, ก็ไปบอกพระเล็กเพราะว่าขอน้องพ่อเข้าไปอยู่ผมจะอยู่ห้องเล็กๆแทนน้องพ่อเล็กก็อยู่ห้อง แต่มันอายุพรรษาเกินกว่า 30 พรรษาแล้วจริงๆนั้นท่านกรรมฐานมาก <c oughs> Ik heb een niet Ik heb Ik heb Ik heb Ik heb Ik heb Ik heb Ik heb คือมาบูชาพระได้จะนั่งกรรมฐานก็พอดีดีเสียงเปิดประตูข้างด้านไหนอ๊าดออกมาได้ยินเสียงดังกุฏิ หลับตาก็มองเห็นลืมมาก ถ้าถามพระท่านว่าท่านมาทําไมท่านก็บอกว่าเวลานี้ 8 หลังก็เลยบอกว่าศาลนั้นมี 7 8 หลังไปอยู่ก็ได้นี่ท่านบอกไม่ได้หรอก Tango, is een maai. Tango, het is is een is een is een is een is een ก็นึกในใจว่าพระภูมิ แล้ววันพรุ่งนี้ยังไม่แล้วต่อไปยังไม่ยกอีกวันมะรืนนี้ 05:00 น. ชั่วโมงเข้าซ้ายจะไม่ให้จะหายใจไม่ออกอีกข้างหนึ่งท่านต้องหายใจทางหลอดคอวันต่อไป 05:00 น. ถ้ายังไม่ยกไม่ยกอีกหลอด เป็นโลหิตน้ำพวกปานอยู่ไกลจาก 1 เปกิโลเมตรจะให้คนอื่นยกไม่ <c oughs> เปเป 2 วันจะยอมแพ้แล้วจะยกถ้าถ้า ในเมื่อท่านต้องการอย่างนั้นก็ได้ถ้าท่านจะรู้ฤทธิ์ของผมแล้วท่านก็หายไปเมื่อท่านหายไปแล้วอาตมา ทำไมล่ะครับฉันเองก็ยังเกรงใจเขาคุณก็ควรจะเกรงใจเขาก็เลยบอกว่าสัญญามีอยู่ครับถ้าเขาทําตามสัญญาได้ก็แสดงว่าเขา ท่านบอกว่าพรหมเทวดาองค์นี้เนี่ยเค้าเป็นพระ <c oughs>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 Hoi, hedel, ik heb een paar kortjes voor Ik heb een een klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein เพราะงึกิวันหนึ่งเวลา 5:00 น. น, น, น, น, น, นจะบงเข้าทรายหายใจไม่ออกคราวนี้ dan zeg je: "Ik je als je zegt: "Ik wil je dan is je zegt: "Ik wil je helpen", Als je zegt: "Ik wil je dan je Als je dan je ก็เลยหายใจออกลมทั้งสองข้างทันทีอะแล้วท่านก็หายไป <c oughs> Ik heb een jongen die is. Ik een jongen die niet Ik heb een jongen de Ik heb een jongen Ik heb een een deze is aanmaatza je je je dat hij je met salmon sak, bij wat in. Ta wat in salmon sak. Goed in een de koning je woord kookt bramant Gandhi woont salmon sak en mandaten voet bij sak. Praat die woont sara, ยังไม่มีความเข้าใจว่า 100% พอ 2 จะมีความ 3 อารมณ์จะดีขึ้นเวลานั้น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 ik vond een чисlo meneer om die tlempel mee te afvrullen onderin. Maar want het echte, Ik kan אחers precies z'n one wir de tlempel rebellisch fiets нет, als kan dat de tlempel śrieten van de die dier onzin vredige middelen espe誠ale lezen, overseas, of deze ook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 jongen, je moet weten dat als je eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal Je eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal คำว่าทําจิตใจแจ้งคือทําใจให้สบายละเยตัตราคะความรักให้ได้ groen kwam prachtig 3 mansa die wordt toen die die die die die die die die die die die die die die die kan goed, inderdaad, In de eerste plaats, als je eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal เจ้าจริงละออกก็ให้ออก เป็นการตั้งเจ้าอาวาสใบที่ 2 ก็ถามว่าพระเดชพระคุณ ถ้าทำดีก็ยกย่องสรรเสริญองค์นี้พูดตรงก็ ik heb het niet zo heel snel. Ik heb het niet zo snel. Ik heb het niet zo snel. Ik การที่วัดสุทรสนเป็นขณะนี้พุทธกําลังใจ <c oughs> ก็จะตลาดบ้านแผนนี่ถึงเวลาเที่ยงวันคนบ้านหนองโคเองนั่นแหละเรียกไปทําบุญก็เลยบอกว่าไม่สิ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 Tang ko Tang kon een lang. Hij het niet. Hij wilde het niet. Hij het het het niet. het het ก็เป็นเงิน 30,000 บาทเวลานั้น 30,000 บาทก็มากมายเหลือเกินเมื่อได้มาเงินมา 30,000 บาทก็ก็เห็นว่าหอสมรนั้นเก่าจะพังคำว่าจะพังหมายความว่าโครงผนัง Lees een leeuwhoofd in Die praat bij concrete. de naam en dat en putt Dan in hun tijoek. Ik koud op een jaar Ik kon mijn ziel op een geek of koud. Praat kon warm, even teeken buffening. Toch op เงินก็ท่านฝากคนนั้นไว้เท่านั้นเท่านี้บาทรวมความแล้วเงินประมาณสัก 40,000 บาทฝากเขาไว้ก็ dat ต้องบอกล่วงหน้า Tony วันคราวนี้พ่อไร่ค้าเงิน Nee, bebaard, dan is er een lom, dan kun bij een dan ภายยกต่อหน้าท่านพูดดีมากแต่รับหลังท่านไปพูดบอกว่าไอ้หมาตัวนี้มันมาจากไหนเงินทองอันนี้ ฉันทําตามหน้าที่ฉันจะตายก็ตายไปเถอะแต่เวลาพบ ตื่นขึ้นมาเวลา 04:00 น. นลุก ถามว่ามายังไงครับเพราะว่าถ้าซื้อที่ตรง ถ้าไปซื้อในสถาน 40 ฟุตถ้าว่าถ้า มีเดือนลําหนึ่งของวัดราชบวรณะจังหวัดสุพรรณบุรี พอจอดอยู่ไปเดี๋ยวเดียวก็มีคน 4 คนเป็นผู้หญิงอายุผู้ใหญ่ <c oughs>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 je 3 zien, je zult zien, je zult je zult zien, je zult zien, je je zult een je zult zien, je je zult zien, je zult zien, je je zult zien, je zult je een